สิขาบทที่8ว่าโด้การไม่สละที่พักเรื่องภิกษณีทุลนันทา1นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษณีทุลนันทาไม่สละที่พักแล้วหลีกจาริกไปต่อมา ที่ภาคนั้นถูกไฟไหม้ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าพวกเราจงช่วยกันขนของออกมาภิกษุณีบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ขนของออกมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญหายไปแม่เจ้าจักทวงพวกดิฉันเมื่อภิกษุณีทุลนันธากลับมาสู่ที่ภาคนั้นอีกถามภิกษุณีทั้งหลายว่า แม่เจ้าพวกท่านช่วยขนของออกบ้างหรือเปล่าพิชุนีตอบว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ได้ช่วยขนพิชุนีทุลนันทาตำนิประนามพนธนาว่าฉนัยพวกพิชุนีเมื่อที่พักถูกไฟไหม้จึงไม่ช่วยกันขนของออกมาเล่าบรรดาพิชุนีผู้มากน้อยพากันตำนิประนามโพลธ น, นาว่าฉนัยแม่เจ้าทุลนันทาไม่สละที่พัก